ของเราและตนของตนนี้พกคุณทั้งหลายมานี่หวังเพื่ อ, อความสุขและความเจริญและคุณงามความดีมิใช่อิงไกลเพ่าเป็นเช่นนี้แล้วเราให้รู้จักว่าความดีอยู่ที่ไหน Mm. ให้พากันในพึ่งร like ู้พึ่งเข้าใจอะไรลึกโดในธรรมะคุณท่านบอกว่าเจหิปชิโกโอปนาอิโกบอกแม่ทคทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหวางไว้เจหิปชิโกจึงร้องเรียกซักทางหลายมาดูธรรม ท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมจะมาดูที่ไหนธรรมเออดูธรรมคือดูตับข่าป้วงเราที่นั่งอยู่ทุกรูปทุกนามนี่แหละไม่ว่าสุ้หินผู้ชายพระเนรคุปตธรรมนามธรรมเรามาอาศัยนโยมคืออาศัยธรรมอันี้ ธาตุทางสี่คันทางห้าอาณะจัทางหกนี่รวมก็แล้วเป็นลูปประเรื่องเป็นอแนกหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นศับเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเกิดขึ้นมาในโลกศับททั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้าในน้อมกามาดูธรรม เคยดูลูกปธรมรมมาตักาพล้างกายของเหล่านี้เรามาอาศัยมิโยเรื่องมันเป็นอย่างนี้และดูนามธรรมคือดวงใจเราผู้คิดผู้นึกอารมณ์สัญญาทั้งหลายเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เราจะมาดูตรงนี้ไก่หรอวะนี่ ฟังดีๆคือฟังดีเสียงให้ฟังรูปธรรมนามธรรมฟังรูปธรรมคืฟังอาตาข้าลางกายของเราแรงงานี้ฟังนามธรรมคือฟังดว ง, ง, ง, ง, ง, ง, งใจของเราฟังก็เหตุใ ด, ดเราจะรู้ว่าเราอยูดด่โดยอันใดน เราอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลโดยคุณงามความดีในผลของกรรมกรรมนั้นแล้วกุศลกรรมมากุศละกรรมเนี่ยให้รู้จักต่อไปกุศ ล, ลกรรมกรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลไม่อยู่ตรงฟ้ า, า, าศาสตรตอนไม้ภูเขาเลาวาบ้านเมืองถนนทาง กรรมทางหลายปรกอบายก็กรรมอยู่ที่กายของเราทุกลูกทุกนามวาทกรรมคืออยู่ที่วาจาคือคาพูดมโนกรรมคืออยู่ที่ใจของพวกเรามีอะรกรรมมีภูษณกรรมเป็นยังไงรายพากันรู้จักเนี่ย เอคุณงามความดีเธอความสุขความสบายเนี่ยทุกข์กายสบายใจเราเนี่การทาความชั่วแล้วกุศลกรรมอ่ะกุศลกรรมจะประพฤติความชั่วและายๆความทุกข์ความยากความลําบากกายสัมบราลำบากใจเนี่ดูสิไอ้พากันในตึ้งลูกคุณเข้าใจต่อไป เน้นๆว่าสักกะต่ฟังเราละมาฟังเอาแต่เสียงต้องดูผลมันต้องดูตัวดูเหตุมันเกิดมาจากนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเทศไปมากกีมากไปเอาตอนนี้ให้ขวัดเขาวัดฟังฟั ง, ฟงนั้ำเขาที่สมบัติกันไหมล่ะอนั่งสะดวกมไหมนั่งเขาที่ นั่งสบายเครีเป็นมากน่ยไหความอรมครียดไตามธรรมเลยรับนั่งสบายสบายเรามานี่ก็คุณจะนั่งสบายไปเด็กเอ้า <c oughs> นั่งเอาที่วางทายสบาย วางท่าวางทางในสบายสบายนี่แหละให้รู้จักนั่งในสบายเมื่ อ, อกายสบายแล้วน้อมมาขึ้นนึกถึงที่พึ่งของเรานึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านี้อยู่ที่ไหนให้เลือกกว่าอยู่ที่ใจขอยงเราไม่อยู่ที่อื่น พุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระเรียรสงสาวกด็ดีเมื่อร่างกายระวางสบายแล้วนี่วางดวงใจสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งให้สบายสบายเมื่อกายแล้วสบายแล้วนี่เราหายลึกถึงที่พึ่งของเราหาลึกในใจเงื้อดู เป็นคําบริกรรมภาวนาว่าอย่างเนี้ยพุทโธนี่แหละลึกดูที่ความรู้สึกคือตรงไหนฮัมโมละลึกความรู้สึกอยูตรงไห น, รรไหนพระธรรมสังโโห ล, ลึกดูที่ความรู้สึกตรงไหนเล่าอะไรล่ะลึกความรู้สึกตรงไหนเล่ายู่ที่ใจของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงให้คำบริกรรมโทนาในเบืองต้นนี่ว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆสามรอบแล้วให้รวมอาแต่พุโทโธพุทโธคำเดียวรับตารับปากนะลี้นก็ไม่กระดกกระดิกอะ้รเลือกอในใจ ระลึกื่อเหต์ใจในใจของเราเราจกรู้ว่าเวลานี้น่ะใจของเรามันเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลไหนละลึกละลึกพุทโธความรู้สึกตรงนั้นแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นลี้นก็ะม่กระดกกระดิกให้ละลึกสอยสวยนึกดูในใจตั้งเ่นโด ดับตาาปากแต่แล่ายินกระดกกระดิบลึกเข้าในใจอาล้เหือราตั้งสติวป็นตรงสิรุเราอยากรู้อยากเห็นอยากไปยินอยากไปฟังมันเป็นยังไงตาก็แเพนดูเต ล, ลึกหูกลองไฟังเต ล, ลึกนะความละลึกกันนี่ละ ให้รู้จักว่เวลานี้มันอยู่ยังไงบางคนสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจา้าหลายอย่างบางคนก็สงสัยประเทศชาติบานเมืองก็มีบางคนก็สงสัยว่าบุญบาปนารกสวรรค์อ่านี่หลายอย่างหลายใน เมื่อเป็นเช่นนี้จะสงสัยอะไรประทามในธรรมะทำสั่งสอนพระเจ้ามาโนโบุคภัมบุคภัมบุคภัมขมารร ม, มาเนี่ยอันบอกว่ามโนเศรามโนมยามโนความน้อมนึกทำ ม, มาคือความคิดบุคภัคในเบื้องต้นมันเกิดจากต้นนี้ไม่ได้เกิดจากเืินจากไกลดูเนี่ย บุญและบาปสิ่งใดใจถึงพรให้พากันเพ่งพิจารนามันเลอวตรงมี้ใจเราเป็นหลักฐานเป็นประทานมันสเสมจกับดวงใจเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะรู้จักยังไงบางคนตายแล้วได้เกิดไหมแล้วเราจะได้เกิดชั้นใดภูมิไหนเล่าเนี่ยสงสัยนี่ปัญหานี้มันมาก ขอาจารอธิบายเรื่องเนื่องคนนืงมาใจเพราะเนื่องมา เ, เป็นอย่งงางนี้ละและ้วไปเอายับให้ตั้งจิตหลงการให้เป็นสมาธินะตั้งพุโทโธพุธโทโธอย่าส่งไปทางซ้ายข้างวขวาขางหน้าทางหลังข้างบนข้างล่างให้ตั้งเฉพาะธรรมกลางอันที่รู้สึกอยู่นั้นอา้าวกำหนดดูมันดีเป็นยังไง รวมาสั้นๆแล้วมันดีใจลราสงบมันไม่ไสรงใครอื่นตั้งสัมภาระใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกไม่ร้อนไม่หุ่นไม่วายคุดโถใจเราเบิกปานสว่างสวยใจเราผ่องใสสะอาดเนี่ย อันนี้นําความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ละไอ้พากันรู้จักเมื่อใจใช้สะาแล้วมันปราศจากทุกปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากอันตรายความชั่วช้าลามกปราศจากความทุกข์ความจำดูเถิดนี่ละความดีเมื่อใจเราดีแล้วทําอะไรก็ดี นั่งกด็ดีนอนกด็ดีเดินยืนกด็ดีไปน้อยประสบปบกเป็นไปดีดนี่แหละเราต้องการคุณงามความดีในตัวบุคคลทุกคนในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมืองคนนอบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปให้ดูตรงนี้ไม่ดูที่อื่นเมื่อใจเราดีคืออธิบายนี่แล้วประเทศเราไม่เป็นอะไร รับรองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเหตุฉันได้ยังว่า ง, างั้นจะให้นั่งสมาธิดูเมื่อจิตของเราตั้งมัน่นจิตของเราดีแล้วทำาไรก็ดีการงานก็ดีครอบครัวก็ดีสาวบ้านล้านตลายก็ดีประเทศชาติก็ดีไม่มีไภัยไม่มีเวรไม่มีความโชวช่วชาลามกลาจะจากไปหมดเพราะอำนาจบุญ อำ น, นาจคุณงามความดีนี้่จึงสันทิษฐานปฏิบัติรู้เองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงใจของเราดูดิ่นานจะคิดไปอะไรอีเราจังให้เป็นสมาธิสมาธิาธคเคยจิยตตั้งมั่นทำมันเที่ยงมันจะเองออกไปทางไหนเล่าให้รู้จักนี่ล่ะให้พากันฟึ่งโลก นี่ละเล่าว่าคังอนาคตอดีตอนาคตอดี ต, ดตล้วงไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่คํานึงคิดถึงอนาคตข้างหน้าท่านก็ไม่คานึงคิดถึงท่านบอกว่าปัจจุบันนัน้นจะโยทํามังตัพทะตัพทะวิปัจจติท่านบอกว่าตัพทะตัพทะบอกวันนี้ท่านไม่ได้บอกวอาไปโน่นนี่จะซีจะดวงใจของเรา อันเป็นยังไงเมื่อใจเราดีแล้วมีความสุขความสบายนี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันระเบนหน้านี่เราต้องการอย่างนี้ไม่ใช่หรมานี่นี่นี่และและ้วปุสสนธรรมนำความสุขความเจริญให้อะปุสสนธรรมมันเป็นยังไงรวมมาสั้นๆแล้วใจเราไม่ดี ใจเราไม่ทุกยากวุนวายเดือดร้อนนี่น้ำสัตว์ทังหลายตกทุกได้ยากในปัจจุบัาเลรือเบลน้าหาใจลราไม่ดีแล้วเดือนี้มันก็ไม่ดีนั่งก็ไม่ดีนอนเดินอยู่ก็ไม่ดีทํำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีทํามาผ้าขายเหลาเลรนยศึกษาราชการก็ไม่ดีประเทศชาติมันก็ไม่ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ดีครอบครัวมันก็ไม่ดี ตัวเราไม่ดีเอานี่มันเป็นอย่างนี้หาเราเห็นแล้วล่ะอ๋อไม่ใช่อื่นเป็นแตเราเป็นกะรีบมาแก้ไขแก้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าปล่อยไว้ครัปล่อยไว้แล้วนําไม่สัดทั้งหลาตกทุกเดยียร์ในปัจจุบั น, นบนหน้าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะล่มจมไปกับพราะใจคนไม่ดี เมื่อใจไม่ดีแล้วมันเกิดเป็นผีเป็นอาไปบดวุ่นวายเดือดร้อนไปบดนะให้เข้าใจเว้ยเนี่ยของชั่วเป็นสำคัญพอดีไปและของชั่วออืของชั่วทั้งหลายใจไม่ดีแล้วเกิดไม่ดีหมดของดีก็สําคัญว่าชั่วไปเรื่องเป็นอย่างนี้เหตุนั้นในพากันในเพื่อนลูกคุณเข้าใจต่อไป นี่เราอธิบายฟังแล้วคากันถึงลูกคุณเข้ใจตัวเราถ้าได้ฟังแล้วโอปันนายโกให้น้อมก็ภายในรีบมาแก่ไขซะมันคัดข้ของตรงไหนเตะเล่นดูอย่างสมาธิภาวนานี้แปลว่าภาวนาแปลเลือกเฟ้นดวงใจของเราใจของเราเป็นยังไงข้องอะไรคาอะไรคออะไรโย รีบพาันแก้ันไข้ิ่งที่ไม่ดีข้องซึ่งไม่ดีก็ตัดเอาซะนี่แหละกรรมเป็นของของตนบางคนว่ากรรมอะไรกรรมดีกรรมชั่วไม่กรรมไม่มีเดียวนี่ว่าสาปชนะคำสั่งสอนพระเจ้าเทศนาว่าบุญว่าบาปนระกสวรรค์คนทั้งหลายก็เลยเชื่ อ, อเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ ให้ดูเอาเดิมนี้แหละไม่ได้ต้องถามใครสันติโกเนี่ยกรรมดียเป็นยังไงกรรมชั่วเป็นยังไงกรรมสะกลมีกรรมนั่นเป็นของขอ ง, องตอนกัญยาณวปาประกันวาปาัปปาจจาวิชนตีเราจะทำกำรรมมันใดาวายละ่ะกรรมดีหรือกรรมชั่วละ่ะเราจะรับผลของกรรมสืบไปเนี่ย กรรมดีเือที่บายมาแล้วรวมมาสั้นๆกันด้วยใจดีมีความสุขความสวาย็ยนอกเยินใจไม่เดือดไม่ร้อนพุดโผใจเบิกบาน อ, อิน่ม อ, อกอิ่มใจเบาตนเบาโตเบาล่างเบากาย ห, ห, หายโรคหายภัยสบายนี่แล้วกรรมานดีเลข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้ ขาบักกกรรมันชั่วจะยังไงเล่ารวมมาสั้นๆแล้วคือใจลราไม่ดีใจไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายดดหลอดนม่ให้นักให้ห่วงให้ง่วงให้เหงาให้วุ่นวายดดหลอดนีน่แหละเมื่อเป็นอย่างนี้ล่ะเราจะรับผลไปในเบื้องหน้าพาขึ้นในพงรูปก็งใจต่อไป นี่อธิบายตอนนี้ควรจะเข้าใจแล้วเอาตอนนี้ไปต่างคนต่างเพ่งเล่นดูหัวใจของเราเนื้อเทศอธิบายขยายไปกสมากมายกายปองให้พากันดูตอนนี้เบื้องต้นเช่นกันไปตางคนต่างเพ่งดูใจของเราเป็นคือธิบายนี่ไหมนี่ละให้พากันในเพื่อนลูกเพื่อนเข้าใจต่อไปเอานั่งดู อันนี้ให้สัญญาไว้นิ่เสียงอะไรก็ตามดีทั่วก็ตามให้สัญญาไว้ว่ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่เติมเดเราไม่ตั้งเดดร้อนเราทำใจแล้วสงบนี่ละ่ะความสงบนี่ละ่ะมีความสุขไม่ได้สุขเพราะวัตถุ ข, ของเงินทอง นี่จุกประหลับเพาะนอนในบาลีว่านัติสันติป ร, รังสุขังจุกเพราะใจเราสงบนี่ไขตองการความสุขธรรมมันสงบเมื่อใจเราสงบแล้วใครทั้งหลายมันหมดไปกิเลสทั้งหลายหมดไปความทั่วทั้งหลายหมดไปกรรมทั้งหลายหมดไปอ่ามันสงบเพราะคนนี้ไม่ได้ทำกรรมความทั่วแล้ว ความชั่วมันจะมาที่ไหนเล่านี่กรรมเก่าก็ยัง่หมดกรรมใหม่ก็ตอ่อเรื่อยไปมันจะมาจะกทีลรอเมื่อเป็นที่นี้ก็ตางคนตังสงบดุเร่นี่เมื่อความสงบแล้วอุปมาประมาณ น, น, นี้นอกเหมือนกับ น, น้ําสงบน้ํามันสงบมันก็ใสมองเห็นเงาตนหรือมองเน้นอะไรอยู่ในน้ํา นี่สันได้ใจเราสงบแล้วก็มองเห็นไปมองเห็นชั่วมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นนรกมองเห็นสวรรค์ได้นาลกเราจะรู้ได้ยังไงเล่าคือใจเราทุกข์พูดไ ง, ไง่ายๆบาปคือใจเราทุกข์พูดไ ง, ไง่ายๆให้ดูสวรรค์ละบุญละ บุญกุญแจเราสุขใจเราสบายเนี่ยเรียกว่าบุญเรียกว่าสวรรค์เมื่อใจเราสุขใจสบายเมื่อดับคันไปแล้วแล้วก็ไปสวรรค์ น, นี่ยพากันเพ่งเลงดูเอาจะท่งไปอึนใจนีนละเอาวางให้สบายอืมเอาวางให้สบายที่บายเัื่อความสุทันถึงไหนกจะได้เหนื่อย อาต่างคนต่างสงบเมื่ออธิบายจิตใจอยองท่านจะมาฟังไต้เสียงแท่งดูไม่นานต ร, รักะมีตาตรงไหนอ้าสามสิบนาทีอ้ า, อาลองดูแท่บ้านเมืองยังไงสงบประเทศชาติของเรามันจะสงบดอมดูตรงนี้มันไม่สงบเพราะอะไร พาเขนั่งแข่งเล่นโดนี่ละต่างคนตางสงบอย่างนี้เท่านี้บ้านเมืองของเราก็าไม่มีความเดือดร้อนอะไรประเทศชาติของเรานี่พาเนนันี่เพงลูกคุณเข้าใจต่อไปถ้าเราไม่สงบแล้วนี่ละใครคนอื่นสงบยังไงลเล่าดูสิ ทังคนจะโกเป็นนอนโผเป็นนี่จะเป็นอะไรโดยอํานาจคุณพระพุทธเจ้าที่พระธรรมคุณพร ะ, ะสงฆ์นี่ทิ้งทั้งหลายทั้งหมดไม่มีสิ่งอนุภาพนะฮมาเห็นว่าสิ่งอื่นมีอนุภาคนอกจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมสมแล้วท่านก็นให้พรเสมอว่าพุทธานุภาเวนะ ธรรมานุภาพสังขานุภาเวนะนี่สาระที่พึ่ ง, งเรามีอนุภาพกําจัดข้าศึกศัตรูทั้งหลายทั้งภายในภายนอกได้เรียกมาถือจริงจริงลงไปอันนี้ที่พึ่ ง, งเรามีเทนี้อ่าอันนี้ว่าเรื่องใหญ่ใหญ่สมบัติสามโลกนี้พุทโธเมนาโถธรมโมเมนาโถสังโโเมนาโถนาโถแปล พระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ทมหมดในสามโลกไม่ว่าจะโลกนี้เอาตอนนี้ไปต่างคนมัางทำสบายเรามานี่เสียเวลานนั่งรับตาเฉยๆให้ดูเหตุดูผลดูเหตุใจรอาใจเรามันท่้องอะไรอย น, น, นออย่เนี่ยมันคาอะไรโยเนี่ยจากรู้เรื่อมันนบางคนว่าใจไม่โยมันไปอยู่ไหน บางคนใจไปโน้นไปนี้มันไม่ได้ไปมันเป็นแต่แสงเด้อมันทุ่มอยู่กับที่นี่มันไม่ได้ไปทุ่มอยู่โน้อนอันนั้นเป็นวัตถุแล้วเราไป น, นึกว่าวัตถุอันนั้นละว่าใจเราไปโน่นแท้จริงมันเหมือนมันลึกอยู่นี้นี่ละให้พาดกันในเพงโน้มคนเห็นพิเกนาโด อ่ามันคล้องตรงไหนก็แก่ตรงนั้นไม่ดีตรงไหนก็สำลักตรงนั้นหักตรงไหนก็พดตรงนั้นอ่านั่งโบเถอ่าววางสบายต่ อ, อนนี่มาสิบายละมาติบายไวกันใจท่านจะมาฟังแต่เสียงต้องโอปัญยีโตน้อมกับภายในปัจจังาลาุจอมพอตอนจะมาอาบปัจเจเนนั่งเหมือนกันโอ นี่เราอยากดูอยากเห็นว่าตัวเรานั่ยบางคนน่ะตายได้เกิดไม้ดูที่มันเกิดหรือไม่เกิดอ่ะดูเดี๋นี้แหละคือมันไม่เกิดเป็นยังไงมันนิ่งโยนั่นมันเกิดเป็นยังไงมันไปกลุ่มไปแต่งไปเกอะขก็ชาติโยภวีภวสัมพวันติ มันเที่ยวต่อพบน้อยน้อยใหญ่ๆอยู่เนี้ดยดูซิเพิ่งลูกเพิ่งเข้าใจอหอาความาสบายสบายอยัาสบายคิดเราไปยืนในพบใจฉากไหมรูกตรงนี้ที่พึ่งของเรา เป็นอัโนนาโถ ổ, ตอนเป็นติพึ่งของตอนวิณาโถ ổ, โปรติสิงได้จะเป็นที่พึ่งของตอนได้มันพึ่งได้เป็นยังไงเรากํำนดให้นิ่งกันนิ่งให้เฉยก็นเฉยให้ว่างกับว่างจึงพึ่งได้สมเป็นที่พึ่งของตอนมันพึ่งไม่ได้เป็นยังไง มองเขามันนิ่งมันก็ไม่นิ่งมองเขาเสยมันก็ไม่เสยมองเขามันว่างก็ไม่ว่างนี่พึงไม่ได้แบบนี้เอาแล้วจะมัจะทากรรมนำให้ผลดูเอาผู้บัพดูเองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงจิตของเราเลยจะมาดูทำ มันเป็นกุศลธรรมนะกุศลธรรมนะพยากตาธรรมให้รู้กุศลธรรมก็คือมันมีความสุขความสบายอะกุศลธรรมเธอมันทุกข์ยากวุ่นวายจะร้อนพยากาตาธรรมทุกมันก็ไม่ใช่สุขมันก็ไม่ใช่ ดีไม่ใช่ชั่วไม่ใช่ยังบอกไปว่าพยายามกมันพ้นจากความสมมุติดีชั่วนี้เป็นไปสมมุติเมื่อถึงวิมุตต์แปลลดพ้นจะเป็นอย่างโน้นหรือจะเป็นอย่างนี้นนนมันเป็นเองอ่านี่ถึงลูกนี่ละ พุทธเจ้าจะได้วางทำไว้ในติกรรมมริกาวันนี้แล้วก็แพ้เพื่อจะแพ้พระราชกุศลเรื่งองคำหาบอิษเป็นที่ปกครองประเทศชาบ้านเมืองของเราอยู่ยนเป็นสุขเป็นล่มโพลมชยัยนี่้างคนตามแพ่กุศล บางคนตัางจิตเป็นกุศลนลาวอคุศลทั้งหลายมันก็สลายไปเองทุกข์มาเหมือนกับมืดเราจิตไปแล้วมืดก็หายไปเอง น, นี่ละความสุขความเจริญในประเทศชาติของเราให้พึงรู้ตรงนี้ทราบตรงนี้ให้เข้าใจเนี่ยางคนข้างหน้าจะเป็นยังไงพิตธเจา้ามีคำหนึ่ง ให้ดูเดี๋ยวนี้อาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีข้างหน้าก็ดีทางหลังก็ดีมันล่วงมาแล้วทำไมคํานึง่งทางหลังอืมอ่มอาเดี๋ยวนี้เวลานี้มันไม่ดีข้างหน้าก็ไม่ดีเราจะรับผลสืบไปอา ว, วางสบาย จะล้างบาปล้างกรรมไม่ต้องล้างโดยน้ำห่อสบู่ทำผิดสงบันเดียวเท่านี้แหละเพราะคนนี้ไม่ทำบาปทำกรรมแล้วกรรมตอนนั้นมันจะมาจัง น, นี่กรรมเก่าก็จะมีหมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปไมันจะหมดสักทีละยึดสิซไใครไปทำ จะมั่นโน ค, ความหน่ม น, นึกใช้ไปทำกรรมไว้ดีพั่วไม่ใช่เทอบุตรเทวดาปรินปปมทำให้เวลานี้นี่จะให้ดูในปัจจุบันนี้จังไมาอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วต่างคนกัางทำาีนี้ได้ฟังแล้วไม่ทำไม่ดูเราก็มีโลก ีนะง ส, สงฆสเบร์ดี่ดต้องกันี่สะดวกง่งคนังสงฆ์ังคนฟัรงดีทังคนังนักวามสุขความสบาย น, นีอำนาจนีแรง บุญอันได้เท้าเรานั่งสมาธิภาวนานี่มีพระอานสมากมาเป็นต้นใจต่อไปพ้ะก็ทำอย่างนี้เร็วขวะมาวัดโลนี่คนในขวักมันจะเลยมืดในหัวไม่มองเห็นตนไม่มองเห็นตัวไม่มองเห็นเขาเห็นเราไม่มองเห็นสุขเห็นทุก ยังได้เบีดเบนขึ้นากเรามองเห็นตนถึงโแล้วทํามเบเยดเบนึนัญากันทางคนทังสงบอย่างนี้ระเตียทบ้านเมืองของเราไปได้อาศัยบุญบสอนบุญคุณงามควาดีอาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนนักดิจึงของเราให้เข้าถึงจิตถึงใจพุทธคือความรู้ แหนะขาดความรู้วันเดียวเท่านี้แหละทํำอะไรได้ทําอะไรไม่ได้พึ่งอะไรได้เราไม่รู้เราไม่รู้ลราปฏิบัติไม่ได้พึ่งไม่ได้ได้ที่เราติดรู้เลยทําไว้ตอนนี้เป็นจิตต้องต่อไปในเชื่อไม่ในจิตในใจนี่เพราะสิส่งสกิดเนี้ยเรามานี่เพื่อทําอสมเด็ชท่าน เพื่อต่างการเป็นฉลิมมงคลในพวกเราทุกคนแล้วไหว้พระพรหมหาบอผิตด้วยอันนี้มีสารธรรมะของข้าวเราทั้งหลายกบเพื่อให้เจริญประเทศชาติบ้านเมืองของเราอายุเดียนเป็นสุขใช้สมัยดะยากได้ความเดือดร้อนและความวุ่นวาย เราฟังดูแล้วนี่ความเดือดร้อนและความวุ่นวายนั้นมาจากไหนมันไม่ได้มาจากฟ้าอากาศมาจากบ้านจากเมืองจากถนนหนทางจากต้นไม้ภูเขาลอกามันเกิดจากดวงใจของขดนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ทาธรรมระ ง, งับดับน้วยใจนี่แล้วไป ท, ทั้งหลายก็หมดกิเลส จ, จันไรทั้งหลายก็หมดไม่มีภัยต่อไป นี่พากระเด็นสดับแล้วได้ยินไดยฟังแล้ว น, นี่เพื่อเป็นชริมงคลคนเดนนี้ให้เป่าศีสษเอาให้ลดน้ำเอาเพื่อจะเป็นชริมงคลมงคลมันอยู่ที่ไหนในมงคลท่านเรียกราวว่าอาเสีวนาจะพาร น, นังปฏิทินนันจะ้ะ เทวนานปะุชาจะเป็นชริยาเงงเทสมังขลามุตตมังเป็นมงคลขอเห็นไนดะ้ขันในละคนพานคนพานนี่ที่ไหนเล่ารวมมาสั้นๆแล้วนะคือใจเรามีดีเมื่อใจไม่ดีแล้วนี่นะมันเป็นอัตถานเริ่อ ม, มันเป็นอย่างเนี้เมื่อใจไม่ดีแล้วเห็นนั่นได้ตะคิดกับขวังไม่หมด นี่เราเป็นอาตาภาพทัาให้ละคนพาพราะกบันดิตบันดิตเป็นยังไงบันดิตคือใจเราดีเมื่อใจเราดีแล้วมันมีความสุขความสบายสิ่งใดไม่ดีจะแก้ไขขึ้นสำรามันดีขึ้นนี่เป็นมงคลตนนี้ เป็นมงคลเพราะใจเราดีใจเรามีความสุขใจเรามีความสบายนี่ละพุทธะเมื่อพันหลายในศึกษาแลในวารสาสนียเป็นธรรมะคำลังสอนในนำมาสี่แจงสแสดงในย่อนยอ่อนนี่พอเป็นข้อปฏิบัติฉดสติปัญญาบารมีพันหลายรูโอล่ข้ อ, อเจตความแล้วในพระพุทธศาสนาะ คือกายนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสยยนาสายปัจจัยนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งแห่งมักฝันเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินในฟังเนี้่ยโในิสูมานจิการพาเป็นกคำนดดจดไว้แนวนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนของตนเป็นไปในคำคำสอนแค่นี้ต่อไป เมื่อท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วแต่นี้ต่อไปท่านทั้งหลายจะประสบินแต่ความสุขความเจริญดังเลยแสดงมาขอสมโภนแก่กาลเวลาอวังตาโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังอะลยังเอ็ยไง ไต่ยังไม่เงินมาละนั่งสมมตเนี่ยดีไหมเนี่ยดีไหมะแน่นี่เราของดีนี่ลราเป็ไง่ยแล้ว น, นี่ละของดีรูไว้เสอไปเอออานัน้นดีอันนี้ดี เออไม่มีของดีรอกนอกใจลราดีที่หมายฟังแล้วเม่อวานเห็ดเป็นไงดีไหมล่ะวางนะของดีหมล่ะเป็นไงไม่ดีมีมาม เป็นยังไงเออนี่ละสำ่ันเป็นยังไงล่ะพอกล่ละน่ละความสุขความสบายของพวกเราต่อไปให้ทุกคนเข้าใจใครก็ปราถนาความสุขความสบายอธิบายฟังแล้วดักกษาเอาของใครของเราที่ขึ้งของเราทุกคน เอจยไม่นะบ้านเมืองของเราก็จะได้มีความสุขความเจริญมันเจริญเพราะเหตุนี้เพราะใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายแล้วการงานของเราก็สบายประเทศชาติตำสมบายเทวบุตรเทวดาอวออเอ้อํานวยอวยพรนะมนุษย์ทั้งหลายเทวดารักษาโยทุ พรบุเทวดารักษาเราอยู่วันนินภัอากาศเกิดมาไข่แต่งเราเป็นแล้วจะไปทนพันษาเราปฏิบัติดีประการทำดีให้ตวทมโอเวรัวทิธรรมจาริงทรัพยารส่ทรทำอาศัยสัตว์ทรัพยปฏิบัติทำดีประการนำความดีให้เรา ดูดีทําความดีเพื่อทิฏิหมายฟังแล้วเมื่อใจเราดีแล้วก็ได้รับผลความดีนะั่งดีนอนเดินยืนดีไปน้อยเราก็ประสบพอบแทนคุณงามความดีนาคําสุขความเจริญให้ใจไม่ดีแล้วทํากันนาไม่ดีให้อไปนานั่งก็ไม่ดีนอนเดินก็ไม่ดีนนด ไ, ดไปน้อยมันก็ประสบพอบแท้จิงไม่ดี มันเป็นอย่างนี้อย่างไงให้นั่งวัดดูจะมาเขวัตฟังธรรมนี่แล้วฟังธรรมอันนี้นี่ฟังเทศเทศเคลื่อนที่บายให้ฟังเรื่องพิษเรื่องสุกเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นยกมาเห็นแล้วก็ฟังดูมันฟังธรรมฟังรูปธรรมนามธรรมามันเกิดมาจากนี่มมนได่เกิดจากอืก่นแล้วก็ฟังดู ฟังสุมภมิตรมิตรมันจังฝังได้มันไม่มิทธไม่สงบจะไม่รู้จักเรื่องสงบมันนิ่งเหมือนกับเราตัม้มอู่สมาธิเคยจิตตั้งมัน่นยังเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมัน่นปีต่อมาเหมือนกับ ในช้างเขาตั้งเสาเนี่ยตั้งเขาตั้งยังไงก็ตั้งแล้วก็กระเพลงโดหรือระดับน้ําจับดูมันเองไปที่ไหนก็ขัดนะดับแล้วก็จับดูตั้งโดต้องแล้วใส่ดาผมแน่นเนี่ยเราก็ตั้งดูมันจะไปทางไหน นี่มันรู้จักมันจะไปทางดีหรือทาชั่วนี่มันสมาธิคือจิตตั้งมั่นนี่ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นแล้วนี่มันเองโดยําชั่วเราก็รู้นี่ยรอบรู้นะกองสังขารนี่เองทางดีเราก็รู้มันไม่เองตั้งมั่นก็เป็นมันก็เป็นพคนิพันธ์นี่ของเทียนนอ่ ลองกอมาตังเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เป็นอมาตังที่มันไม่เที่ยงที่ยุ่อันนี้จังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์สิ่นใดมันเป็นทุกข์ยิ่งนั้นก็ไม่เสร็จตัวต้นว่าไงเล่าเราต่างเดี๋ยวนี้ยังเที่ยงเที่ยงก็สบายเราไม่มีอะไรอเนะขัใจยังมาตังลองดู ตั้งได้ไม่ได้เนี yeah, ่ยละถ้าคนขึ้นเข้าใจต่อไปอืมวายมาทำไมเข้าใจนะคนป่าตรงนะ้นขลอดภัยนะจิตถูกต ก, การใดปเลยเนี่ย ทานี้เนี่ยเป็นยังไงผู้ข้างหลังก็มีคนอ่ามันมากนะเนี่ยพูดข้างนอกเต็มแล้วก็มันนั่งมันคือไม่มีคนเลเป็น ม, ม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยนังเงียบ ม, มันไมีมอะไรนะบ้านเมืองยังมีอจุกนะเราควายเราหมดปิดคุณนะทาใครพลาดจะคนชนให้แล้ว สมาธิหน่า t ุ่นนมีอะไรบ้างนี่ยายวิตกวิจาเอ่ข่ที่บายรงั้นล่ะใดีราไม่มีอะไรทำตัวนั่นตันี้ปนะวาไม่ประเทศของเราไปตัวะเราก็ตาเรามีหูเรามีตาเราสหรับดูหูสำหับฟั นี่แหละตร้างอยูได้สา ย, ย, ย, ย, ย, ยเราทุกคนจะได้ททนนเป็นบ้านเป็นเมืองมาเปนช่วยสนุบบนรุงรักษาตนันสาต้นมันเนี้ยคนจะได้แต่ผลมันต้องไม่รักษาออกมาเหมือนเขาปลูกผลไม้เหาะทุเรีย น, นต้องดำนลุงโคนมันบำรุงต้นมัน พอบำรุงควรต้นมันดีแล้วดอกผลไม่ต้องบังคับมันเป็นเองนี่เห็นอย่างนี้อุปมาถ้าผลไม่บำรุงต้นไม่บำรุงแล้วอยะใกล้แต่ผลมันเลยไม่มีแต่นี้ก็ประเทศเราเออกันละใครกระยาใดตะคุณทำความดีต้นแล้วไม่อยูคือดวงใจนี่เป็นต้นนะบางคนไปสไตล์อะไรอย่างนี้สไตล์ออย่างนี้อยาดี มันทํายังไม่ถูกไม่รู้ท่นที่สูบ ก, กินมันได้ไามมาามมาเดดั็นทําไปทำานกรรมไม่จะผลเนี่ยรอบนี้ไม่ดีแล้วไม่จะเป็นเราก็ไม่ได้เป็นต้นไม่ดีเนี่ยอาคนระวังนะวันอย่างนั้นคนไม่มีบิ ด, ดามันดาคนไม่มีครูมีอาจารย์เนีคนแบบนั้นเขาจะใต่ไปยากดี ดีคนเราไม่ทําดีมันจะดียังไงเราเปรียบประมาเหมือนแต่ช า, าวนาเขาไม่ได้ทํานาจะได้เข้าเต็มยุ่งเต็มสางมันจะมีหรอแม่หอมก็ไม่ได้ที่เพราะเราไม่ได้ทํานาพวกชาวนาถ้าทานาเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่ต้องขอเต็มเองยุ่งฉามเขานื้กระสันใดแล้วทําคุณงามความดีมันก็ไม่ต้องยาก ก็ได้เออนี่เราจะไว้ทาดูอ่ะมันดีหรือไม่ดีดูตรงนี้ได้ยังทุกลูกทุกนามมานี่ได้ยินได้ฟังหรือยังถ้าต้นมันดีแล้วนี่แหละมันดีต้นนี่ไม่ดีไม่ได้นะน่ะทราบกันหรือยังบางคนว่ามาเห็นตวัวมันบุญบาปจะเป็นตวัวยังไง ไม่เห็นตัวมันเห็นหรือยังฮะเมีเห็นหรือยังางคนยัม่เห็นหน้าตับุญจะเป็นตัวยังไงบาปเป็นตัวยังไงได้ยังตัวบุญคือตัวคนนั่งอยู่ยืนอยู่นี่แหละที่สะมันดำดำพรกิ่วกิ่วตัวบุญตัวบาปตัวนี้บานเป็นงไง บาปกิจใจลำบีทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนเกิดมาเป็นโลกเป็นภัยเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่เป็นเนาเป็นโลกนั้นโลกนี้ทำมาขาดหายขาดทุนขาดรอนทุกข์ยากลำบากนั้นละตูวบาปอทำหลักสกันได้เงินเดือ น, นก็ไม่ขึ้นก็บบาปเราเรียนไม่เป็นนีนกกนนนกกน่ก็บาปนั่นแหละปุณหาไม่ไม่ก็อยู่พอกินก็บบาป ม, มันตัวบาปหาเงินนะค อ, อยใส่กับบาปนันรูน้จักไว้ตับาปคือความทุกข์คนยากเลยบาปไม่ใช่อื่นไกลแหมไม่ใช่อื่นทุกข์ยากเนยบางคนไม่เห็นตัวมันแม้ไมได้นั่งอะไรทุกฤ ด, าาาดูอากาศก็ทุกบูว่าเถิบุญก็คือ น, นี่แหละใส่เราดีเราก็มีชุกกายสบายใจแหมไม่มีโรคไม่มีภัยไม่เป็นวัดเป็นนายไม่เป็นไข้เป็นหนาว เก็บตนเเก็บตัวสบายออกสบายใจมีอัฒน์มันดาศัก์นะมีคุณงามความดีมีศักด์มีสมบัติเป็นคนมีอดมียากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนั่ beauty, <ส ärke. S 1> นแหละบุญนะสร้างคุณงามความดีไว้แล้วทำเป็นเองนะนำบุญบุญคือคุณงามความดีบุญคือความความเจริญนั่น <utter> แหะบุญ <women> มีบุตรปัญญาสามีก็ไม่เคาะกันก็เรียว่าบุญแต่บุตรกว่าง่ายสอนง่ายก็บุญเราเรียนอะไก็สะดวกบุญมันเดินขื้ปีละขั้นสขั้นก็เรียกว่าบุญนั่นแหละบุญเออเอออะไรล่ะบุญมาไวเราไม่ได้คมดีประย์ดีมันจะได้ล่ะเอออยากหรือไ ไปชะใต้เอาเพราการชุนนักเป็นตัวแบบมันห ร, หรือว่าไง <c oughs> เอียนั่มันจะภาษาเลยเนาะแล้ว <c oughs> ไม่ทำดีบมดเยอะได้ดี <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแบบนี้นหรือว่าไงไม่พูดแต่ไมล่ะ ไม่คุณว่าไงนี่มาเวลาเดียวไม่หรอครับผมอัยากนมากดีมองเลยขัญอะไรยังยัง ูคิดครอ ง, งอยังไงเดวายังเออเออฮะพังรีบฮะพอจะไยเสียหนานี้คม